สลของอยักกลาเป็นความปาัญหาคือเรื่องหนึ่งใชนถ้าเรีนไหวถ้าจริงมันคืนพระอาจารย์เทศถึงว่าจิตสภาธิสอนเนี่ยเป็นอวิชชา น, นอันนี้เพราะว่าทำสมาธิจนได้ความสุขในสมาธิแล้วติอยู่ใชาไหมครับทิตเรื่องของสมาธิแม้แต่ปัญญ า, ากันยังไปติด พราะวาสอนอันนี้มันเป็นว่าสอนอ่าคือคือประกอบสอนของเรื่าเชื้อแห่งครบแ ท, ท, ท้คืออันนั้นเป็นประกอบสอนที่เวลาพอคิดเดิมจริงๆเป็นอย่างนั้นนะคิดเดิมเนี่หมายถึงว่าเดิมของวัตจถจักรให้หมายถึงเดิมที่บริสุทธิ์แล้วนะมันเปลี่ยนนะ จะอาไสอะไรที่เล็กจอดเข้ามาอะไรข้าเข้ากับเรื่องของที่ความปุงเองเองไงจอนเข้ามากับอย่างจอเข้ามาด้วยไปเห็นรูปเป็นอย่างนั้นได้ยินเสียงเป็น่างนั้นเนี่ยดูความสำคัญของเราเนี่ยเอาเข้ามาเข้ามาอย่างนี้ที่ว่าที่เล็การเข้ามาจอดเข้ามาด้วยวิธีเราที่เราไปคว่าเอาคว้เอาจับรูปจับเสียงเนี่ยดีอ่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นสำคัญอย่างนั้นสาคัญเราคุณมาเป็นเรื่องที่เล็กที่ก็เข้ามาหาเจ้ของเนี่ยอที่ว่าที่เร็กอดมากอดอย่างนี้แม้ดูดูก็ที่เล็่จอดมาแลแค่อย่างนั้นน่ะ กิจกรรมจากเราที่ออกไปกล้าไปหาลูกโมกหาเสียงเขาออกไปแล้วมันไม่ได้เฉยเฉยเนี่ยออกไปแล้วมันต้องออกไปหาเรื่องมั้พูดง่ายๆนะนั่นแหะมันเอาเรื่องมันมาเข้ามาเพื่อมันก็เลยมาเป็นแตกจริงแตกแขนงออกไปมันไม่ดู่ล้วนเฉพาะมันเลยแตกจริงแตกแงนงไปเรื่อยยุ่งไปหมดความ เกิดอวิชชาโดยความมันก็ไม่ปรากฏทั้มันอันนี้มันปกคุมไปหมดแล้วดิมันเกิดจากนี้เองมันก็มหออไอีใจเลยมี่ความความผงใจล้วก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองเรเข้าใจว่าจิตพอเาสอนอยู่รู้ไหมแล้วมันมัมใจมัมีปัญหามันมันมาคุม้เกิดมาคุมให้เกิไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นดังนั้นอย่างนั้นล่ะ คือพอเราไม่รุ่นเองนืองจากมันไอ้ไอ้ไอ้มันของใหม่นี่มันมาปกคุมเขาอีกมากมายเ่ยผมไม่รู้เวล า, าเข า, าเล่าว่าทีนี้มันจะเข้าไปถึงตรงนั้นไม่ใช่มันนะคือมันเข้าในการชำระของเราเนี่ยชำระเข้าไปชำระเข้าไปชำระเข้าไปาเข้าไปมันก็เข้าไปถึงตรงนั้นคือผู้ปัญชาการก็ทราบเองจริงไม่ต้องให้พระพุทธเจ้า บ, บอกเพรา ง, งั้นพูดง่ายนะ มี่ระพุทธเจาบอกโดยที่พวกเราไม่ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยอย่านั้นเลยที่ที่พวกองบอกองนั้นน่ะเมื่อพอเราปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปไปถึงนั้นเราก็รู้เองว่นผ่องใสแต่ส่วนที่เราจะรู้ว่านี่อวิชาหรือไม่อวิชานั้นจะ็นอีกแง่หนึ่งเราก็รู้ว่าป่า <laughs> ราราองไสเรื่องควาแล้วนี่งความมั่นเมยไม่ยอมปล่อยนงอนจะว่าจะว่าอะไรสมาธิอะไรติดหรือหรือว่าปัญญาติดอย่างนีรู้เหรอปัญญาไม่ก็ไม่ท้ายไปถึงนั้นแล้วมันยอมเลย ดีๆมันเป็นองคลักษ์อันนี้เลยมันรักษาไม่อะไรมาแกะเข้ม่อะไรแต่เขมันตัดถึงก่อนเนี่ยมันรักษานี่ยัานาพรพุทธสอนรเออพระพุทธศาสนาเพราะว่าปรญาเป็นลายกายเป็นอมพลักษ์อันนี้มันรักษามันไม่ได้ข้อทาลายพระเจ้าเอืมเนี่ยพระพุทธสอนทางภาคปฏิบัติคือคือมันแก้เข้าไปแก้เข้าไปตัดเข้าไปจนมันทั้งถึงตัวพระสอนนี่อันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็ไปิดตรงนั้นใช่ติดตรงนั้น วิธีที่จะทำลายเอกภพสอนนี้ผมว่ามันน่าคิดเพียวตั้งินใหม่ก็เร๊ะเราใช้เครื่องมือใส่ลักษณะยานกับอ่าอ่สตไทยศาสตร์นี้แตอคือการสุขฐานรัตากับดูว่าให้เห็นว่าเป็นราคาสุวตามมหาที่ต่อมันเป็นลงหรือะไรเฉลิเราก็ดูมันก็เหมือนเราเราดูภารกรรมอื่นเอง เพิ่มความโกรธเกิดขึ้นเราก็ดูเรื่องของความโกรธเวทนาที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็คือทุกเวทนามันเกิดขึ้นเราก็ดูดูเพ่งเด่นกำหนดดูเราไม่เห็นว่าความโกรธเป็นเราเราเห็นว่าความโกรธที่เป็นธาตุกิริยาเราเมื่อตามถุกเป็นธาตุกิริยาแล้วเขาไม่ว่าเราเป็นกัจจุตก็ตามแต่เราก็ว่ามันต่างเรื่องาตกิริยาดังนั้นนะเราก็ต้องต่อสู้การต่อสู้คือการกาหนด ว่ามันจะเกลืไหวไปยังไงต้องไงความโกลนทุกผลของความโกลมันเกิดขึ้นมาความโกลมันวูบเยอะขนาดน่ะแต่ผลมันแสดงขึ้นอย่างคือความทิดร้อนในตัวเองนี่เป็นผลของความโกลแล้วความพุกนั้นมันจะปราู่ภายในสิตแล้วกำหนดดูออะมันเกิดขึ้นมาจากความโกลความโกลเกิดขึ้นแล้วมันดับหรือถ้าความโกลจะไม่ดับมันก็มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอความโกลมันมันละเมอไปอันนี้มันก็ยังต้องมือก็ําหนด ดูดูนะเด็กบรรดาของเราเนี่ยจ ะ, จะจ้องก็เป็นบรรดาค่อยจ้างทั้งเจดเนี่ยห้าแต่พยาเ ร, รื่องค่อจ้างไปจางไปเขาพอรู้การกาหนดจ้างอย่างนั้นอ่ะเราไมมีโอกาสที่จะไปไปไปโกรธอะไระไรายได้ใช่ไหมละ่ะเพราะจิตทับหน้าที่อันเดียว เ, ยเห็นโทษน้นแล้วมันย่อมไปกาเริบในการในระยะต่อไปเรจะไม่เห็นโทษแล้วมันพุ่งไปเรื่อยคือเราเห็นสมมติว่าเราโกรธแคนี้ ที่ทำลายประเทศเล็งจากนั้นมันก็ยิ่งเสริมขึ้นเรืเ่อยๆความความปวดกระเสริมความทุขกข์กระเสริมเพราะว่า อ, อันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นไทยความปดต่างหากเป็นไทยมันย้อนกลับม า, ม า, าตัวนี้ก็ย้อกลมาถึงวกาบผลไทยมันก็พิรุความอวดท่านสอนที่เก<ฮ>ิดขึ้นมันเป็นเรื่องของหลงหลงว่าจะจที่ว่าหลังจากกิาแล้วไปติดก็ไปสอนก็ไสอนอะกรอย่นี้ ถ้าจะทำะายคิดที่สามารสอนอย่นี้ก็ตองต้องใช้ใช่เดอยกวกับเรากาหนดกาหนดเรื่องความโกรธนะเครื่งเร่งอยู่นั่นอันนี้เป็นอะไรอย่างที่ว่านะสิ่งนีดเป็นอันิจ้จำตัวของหน้าตาถึงเป็นจังของกัดเช่นรูปอันนา้จำตวของหน้าตาพิธนาเป็นตัวของหน้าตาธนาสถานวิญญาณเป็นตัวของหน้าตาทีนี่มันก็รู้เท่าหมดแล้วเพราะการพี่จริาเรื่อการตวของหน้าตา แล้วอันนี้เป็นอะไรนั่นก็เหมือนกันตำรวจก็กไปทีนี้มันก็ไม่นอนใจกับอันนี้เมื่อว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็เป็นข้อสงสัยหรือมาแล้วก็มีข้อสังเกตตั้นขึ้นตั้งข้อสังเกตขึ้นพต่จิตมันก็จ้องนั้นปัญญาเขาค่อยสังเกตด้ว่าการทั้งเกตหรือการพิจาราเป็นเรื่องของปัญญาอปัญญาอย่างนี้อย่างยากของปัญญาอย่างเดียวก็ปัญญาอย่างนี้ปัญญาในขรั้งนี้มันไม่้แค่ปัญญาอย่างจะคิดแค่เปลี่ยมแปลอะไรก็แน้ะ มันเพ่งมันเล็งมันกําหนดมันทั้งเกตดูมอะไรตัวเราเป็นอยู่นั่นแหละมันเหมือนกับเพ่งนะแค่นี้พอเพราะมันยังน้อยแล้วบัญญาามก็สามารถจูนกัวเรามากให้นานก็จะตายเลยเราถึงรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นไงคือไอ้ไอ้คือว่าข้อสอนเนี่ยมันไม่ใช่ทีราถาบอลเพราะมันเป็นสมมติเนี่ย มันก็สลายเป็นกลุมไปได้ถ้าว่าเป็นความจริงแล้วมันสลายไม่ได้เช่คู่เป็นกลุ่มจริงที่ผิดก็สลายไปนั่นแะไอ้ที่ดูเวลาไอ้ตัวอาวัสอนเนี่ยที่มันครอบติดอยู่เนี่ย้มันสลายไปความรู้มันยังไม่เห็นสลายไอ้ความรู้นี่มันยิ่งมันยิ่งเด่นกว่านั้นอีกเพราะว่าขี่ร้อยเท่ากับไม่เท้าแล้วบางั้งที่เราก็ว่าอันนี้มันวิเศษสุดเลยถึงต้องลักขึ้นข้งหัวขนาดถึงปัญญาขั้นนั้นมันหนึงไม่ยอมทิ้งนามันก็แสดงว่ามันขนาดไหนว่างั้นจนละ มันยังยอมถวายตัวเป็นลูกศิษย์เข้าใจหถวายตัวเป็นลูกศิษย์วิ ช, ชาอยู่นานอืมอืมคิดดูแล้วที่นี่นี่แหลที่เราเร า, ามันความต้าคัญตัวเองว่าข น, านา ว, าว่ามันลึกเสขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะนไปสมหวังไปรักษาอย่างไงมันต้อคันอย่างมากกว่นั้นเลยถ้องทั้งที่เราว่าอันนี้สนนาคัญมากพอปัญญากาหนดเขาไปพี่เขาไปอันนี้สละเขาลไปอันนั่นขึ้นมาแล้วถึงเห็นข้อแล้วโอ้โหนี่ ถ้ว่าเห็นโทษของความหลงอันนี้เหมือนกระกรองขี่ควายแท้ๆนะแล้วอันนี้จะเป็อะไรเมื่อเห็นแต่ก่อนว่าอันนี้เป็นอาจารย์แล้วเปนกายเป็นกระกรองขี่คลายแบบอันนี้จะเป็นอะไ ร, ะนนะไรที่นั่นาระความสูงกับกันนี่คือความที่เกิดจากการมุขสิง่งหนึ่งนั้นพอค่อ้ๆเราจะไปตั้งความอยากอะไรก็ตามถ้าตั้งความอยากลงไปอยากให้มันดับเนี่ยนั่นแหละ มันเคิ่ก็เลสมันไม่ดับอืมอ่ามันเอากิเลสเขาไปไปฆ่ากิเลสมันจะฆ่าอะไรเาเรลี่ยนเข้าไปเลยครับมันก็ช่วยกันละทีใช่ไหมมันต้องมาทําไปค่าใช่จอกกิเลสไปค่าก่เลสไม่ได้ต้องเสริมมันดับแม้จะทุกเกิดขึ้นอย่างที่อธิบายแล้วทั้งหมดไม่ว่าทุกทางการทางใจเกิดขึ้นเราจะอยากอยากให้มันดับเฉยๆนีไม่ได้ทีเดียวต้องเสริมต้องให้ทราบความจริงมันมีความมุ่งเพื่อยาจะทราบความจริงของมันเท่านั้น อาควากันลงไปนั่นแหละเป็นทางทางเดินที่เป็นเป็นมักทางแก้ที่เด็ดพูดเดองง่ายผมแต่จิตประพันธอนนี้อาจจะหลงได้ขอไม่สงงใจตั้งหลงมากนั่นเลยไม่จะพูดอย่างอื่นแล้ว<ด>มันไม่ถนัดใจว่าต้องหลงมั่นเลยอืมตั้งหลง<ด>นอกจากจะได้รับรนันแนะนําจากครูอาจารย์ไปแล้ว ถึงจะขนาดไหนก็ตามที่เกิขนาดไหนก็ตามมันเราเชื่อคือครูบาอาจารย์พูดอย่างนั้นเนี่ยความเชื่อนี่มันเลยมีกําลังมากที่จะต้ อ, องพิจารณาได้นะออืถึงจะถ้าทายขนาดไหนความที่เราเชื่อครูบาอาจารย์หรือเชื่ออาจเชื่อธรรมที่เอนมั น, นมันมันเหนกว่านี้มันก็ต้องยอมพิจารณาเหมือนอย่คนลงทางทางนี้เตียนลงทางนี้รกๆถามว่าจะไปบ้านกอไปบ้านไหน ทางไบ้านกอไปสังนี้่ี่บ้านไหนไปบ้านขอเราอยากไปบ้านขอแต่ว่าเขารู้ทางเขาบอกเราเ้าจะขุดในบ้านขอไงมันก็ไม่ถูกบ้านขอที่เขายจะไปบ้านขออทางนี้มันโลกลงหลังไม่อยากจะไปแต่ก็พราะเขารู้ทางนี่ถามเขาเขาบอกเขาต้องผุนไปตามนั้นมันก็ไปเจอบ้านขอตามประมสุขทางว่าเจ้าตานใจของเราโดนบ้านขอแล้วบ้านไหนบ้านงอไปเรื่อยเลยหายไปเลยเนี่ยหมายถึงว่าความเปลี่ยนโลกนี่คือความเป็นสิงที่เราชอบใจใช่ไหมล่ะ เพรากรุงรังแล้วม่อยาไปอันนี้มันมันกระองไฉเนี่ยมันก็เหมือน เ, นเตียมโรคองนี้วาง่างมันก็อยากไปตรงนี้คือยากยิดบไม่อยากป่อยว่าว่าแล้วจะแค่จะมาที่นี่ต <c oughs> ิดทำงานพูดละเอียดที่ไหนเป็นอออกิจสงบตัวก็ไปมันไม่ถึงขันนนะ้นนั้นนะมันัติด มันนั้นเป็นสมาธิมันเป็นสมาธิกระตามมันเปมีอย่างนั้นธุรกิจท่าหน้าเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วท่นเป็นอย่างนั้นความันจะเข่าๆบ้างจเศร้าบ้างมันก็เข้าตามความละเอียดของมันท่านไม่เศร้าย่างแบบปิดธรรมดาหรากลองไม่ทำไมลักหน้าเข้าเศร้าความเศ้ากับเวทนาก็เกิดขึ้นด้วยกันเนี่ยทุกเวทนาตามขั้นของมันก็เหมือนคือมันทุกเวทนาละเอียดมันผิดกัน ให้กีนของเราหนีเศ่้าเนี่ยมันจะต้องเกิดทุกเวทนาขึ้นมานี่รายละเอีย ด, ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกอย่างธรรมดาเรานะเป็นทุกตามขั้นัองมันการขั้นละเอียดเวทนาในแยกมัไม่ออกสามกษัปริย์เนี่ยใแยกมันออกนายเราสามกษัตริย์ทุกเวทนะขึ้นมากันวางมันเหี่ยวไปที หมอแล้วมันเหี่ยมอทุกข์เอาทุกข์อาทุกขเตนาย่งยมาอันตอนนี้ยิ่งทั้งพันทาให้เพิ่มไปเลยมันเหี่ยบแล้วยิ่งสบายเพิ่มไปเลยนะอากันยิ่ขาไสุดเจตนาก็มาอีกยิ่งหลับไปเลยเอาไป็ขั้นๆ น, น, นะนี้นะเข้าใจไหมอืมเปนคันเนียน้ยพอสุดเจตนาก็ยิ่งหลับไปเลยที่สไม่ยอมสลัด จิตมันต้องมีอยู่สามกายก็มีอยู่สามจิตมีอยู่สามเวลาเขาเป็นขั้นละเอียดมันถึงรู้เวลอะไรมาเกี่ยวข้องมันก็รู้แต่จะรู้ไอ้นี่ไม่ใช่บอกพอรู้แล้วมันจะหาทางไปได้นะรู้แล้วมันมันก็เพิ่มไปอีกเหมือนกันนี่ป่าไะมันเคิ่มมันหลับไปได้เหมือนกัน แต่มันมันรู้มันพอรู้เดยวะก็แกงมันได้มีทางแกงมันไปได้ที่นั่นอ๋อหนูก็เข้าใจได้หรือเวทนานอกะหมเว่งตายเวทนาแด้ในหมายมาคิดเปเวทนาอะไรแต่ย้ายวัชินาทีิ เวทากรรมงันนีลักษณะภายในกายมากเวทน า, นาในเวทนานอกใจพุทธญาตอาธิบายเรื่องเวทนานอกเขาจะอธิบายเื่งการบริยะอธิบายเวทาเขดีมันขัด ก, กันทีกับหลักปฏิบัติมันจะคุ้มงนะแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเวทนานอกมาถึงกวเวนนนทาวนาว่างอินะในข้าวปฏิบัตินะ เจตนาในในี่หมายถึงกิจวตางนาแหะ น, นั่นาไม่นะ ไ, ไปที่แล้วมันก็ถูกการสุบที่จะแก้ด้วยใช่ไหมทา น, นาคนอื่นเป็นรุ่้เวรวื่องเขาอะไรนี่คนนั้นท่านลองเดียวกันแล้ว่าเอฮิปริโกท่านจมาดูธรรมของจริงให้เขามาดูอะไรนี่เนี่ยงั้นัดกันอย่างนี้เชื่อที่ตรงไหนขัดเราบอกว่าขัดการภาคนฏิภาาปฏิบัติเพราะเราก็รู้อย่างนั้นนี่เราจะไม่เราพูดได้ยังไงเราต้องพูดว่ามันเอื เอไอบาติโกท่านต้องมาดูเรียกเขาเขามาดูของจริงเรียกใครมาดูเดี๋ยวเขาจะเอาคอนใส่นอกขากไปเลยเขาไมาร่รู้เร ร, รู้ราวเช่นเรียกไอสุนทรขันมาดูแล้วท่านจะโยนข้ามมันมันดูเรียกเขามาดูทํานี่เดี๋ยวมันกาดหัวเอาอคนที่ใจมันหยาบอย่างนั้นนีใช่ไหมนี A ่ไอบาติโกท่านไม่ได้หมายงั้นไอบาติโกมันท้าทายท่านอยู่นี่นาท่านจงดูนี่นาว่าังว่างงั้นต่างหา่างนี่คือผู้ปฏิบัติผู้สนใจอยากจะรู้ความจริงนี่นี่นาความจริงมันท้าทายท่านอย่าท่านดูหน้าดูคงนี่น่ะว่างั้นต่างหาง นี่หลักปจิบัตเป็นอย่างนั้นนะคุณหญิงถ้าถูกรูผก็แล้วที่น่าเอยไอเจ้กจะไปหาเรารอก้มาเี๋วจะเป็นอาจารย์ฉิมได้ไปเาสพายบาดแล้วใก้ไกล้สำเร็จแล้วยังอ๋ออนี่อยราคาญแล้วก็สาเร็จแล้วคออยู่ที่ไหนก็สเร็จแล้วไปไม่ได้เทศเลยวันทวันไหนเขาเช้าเขาบายังไม่สาเร็จเข้าไปแล้วเขาทำข้าวเขเข้าไปแล้วนะเทศอนทนาสายบาทนันเพิ่งจะเพี้ยงก็ไม่ได้ถนดนี่ไอ้จากนแบบนี้ลำแบบเขาบ้าดีหนอ เสนขาเห็นนี้หมดเขามองเห็นมานันนั่นเดี๋ยวเยวจะเข้ามานข้างคือท่านจะกลัวที่ทัาโูเหเป็นโรคมาเรียซึ่งพอหายจากปวดนั่นนั่แล้วมันก็มาเป็นเรื่องหลังจะเป็นแบบนั้นแต่ทาการศินป์เราเนี่ยยินสบาไม่ได้กลับานได้ง่ายแล้วไม่กลับง่ายๆครับปรเทศสอนก็อยู่ตามถนนนู้นทางที่ไหนก็ดาวมองเห็นฉันเลยแล้วยังคืออาตมาน่งสำเร็จแล้วคุยง่ายแอาตมานึ่งสำเร็จแล้ว คนี้ทำเร็จญแล้วอยากก็สทำเร็ยแล้วเขาเหลือขันบ้าไม <c oughs> ่ใช่ไม่อยากเป็นบ้าแล้วเขาก็เป็นนี้จังไงเหร็จแล้วเขาสิเกิด น, นี่แหละเอชเบอจะโกแบบนี้ใครอยากได้เหรืออ่อาที่อาจารย์พูดนี่นี่แหละขจริงเราเขามีนายเอชเบอจะโกนี่ใครพูดปฏิบัติทำกใครอยากรู้ของจริงในธรรมของจริงมันท้าทายนี่สัจะทําอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ฉันรู้ที่นี่นั่นควาหมายว่าอย่างนั้นแล้วเราพิจารณาที่นี่มันก็รู้นี่จริงๆ เนี่ยคือว่ากายในกายนอกอกคือร่องกายในกายนอกเราจะพิจารณาคนอื่นแล้วยก็พราะพิจารณาได้เพราะว่าส่วนเรือกายในกายนอกน่หมายถึงกายจิตแค่ทางท้าปฏิบัติเองแคู่่แง่นึงนะอันนี้กายในกายนอกเนี่ยเราได้ปรากฏด้ในเรากายนอกนี่หมายถึงการอย่างมีพิจารณามีคอยมันแก้มือแล้วมันมีอันนึ่งเป็นภาพหนึ่งอยู่ภายในจิตมันจะมันมาพิจารณาภายในจิตอยู่เป็นภาพนี้อยู่ทั้งหลาเราพิจารณาไปงั่นนะ นี่เรป็นแน่ของเราอย่างนี้อีกเหมือนกันใครจะค้านค้านเถิคนเรารู้อย่างนี้นค <c oughs> ือภาพอบบนี้มันมันปล่อยจิตในขั้นขั้นที่ปล่อยากายนี่ปล่อยากายนี้หมดแล้วที่นี่มันก็เอาภาพของกายเนี่ยเข้าไปอยาาู่กนจิแต่เมืย่ยอพิจารณากายนี้มันมันพอกายที่พิจารณาภาพคือออกจากกายนี้เข้าไปอยู่ในจิตแล้วมันกำหนดนี่ภาพนี้หมดไปก็ยังเหลือภาพนี้พอกำหนดภาพนี้ไปหมดแล้วนั่นแหละเป็นอากาศของภาพว่างหมดทิ้งน่ะ แรงนั่นนะที่แรกมันยังไม่ว่างพอข้ามนี้หายไปภาพอยากภาพไปภาพเดียดเข้าอยู่ภายใจิตมันกำหนดภาบมันเข้าอยู่ในจิตแต่จะให้เวลานี้มันไม่หยอกเข้าอยู่ในจิตนี้ก็ไม่นามันก็มันก็จลายจะตั้งเป็นภาพมันจลายตั้งว่าเขานานขานานเขามันจะลายหลายจะลายหมดเลยแต่ออกนั้นมันว่างในภาพอันนี้แบบบางตายในกันนอกจะเป็นอย่างนี้ของเราออกจากการปฏิบัติรู้จากการปหลบัจริงเป็นอย่างนี้แค่นี้พอพอภาพภายในจิตนี้มันหมดไป ที่จิตมันว่างโดยหลักธรรมชาติองมันคือว่างการธรรมชาติมันแหละว่างการพัน์ขอตัวเองทกำหนดอะไรนี่ก็ว่างไปัหมดที้งแม้แต่ชะลาอย่างนี้เนี่ยมองด้วยตานี่มองพอเป็นลางๆเป็นเหงาๆได้เหรอไอ้จิตมันทะลุไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นเหี่ยนกันดินมือแผ่นดินนี่ก็หมดนี่มันทะลุไปหมดด้วยความว่างของจิตนี่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดผู้เขาเหมือนนั้นหมดเป็นผูวลูก กูรำบานข้างในมีจิตแค่นว่างไปหมดคือจิดนี้เองเป็นผู้ว่างอันนั้นเขาก็มีอันั้นหละจะว่าว่างเขาว่างือไม่บ่างไม่มีปัญหาอะไรไอ้ตัวเองนี่ยะปหาเรื่องของเขาเขาเป็นไงเขเนี้ยงว่างนี่ว่างแล้วทีนี้เอาอีกนะจรเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่เราว่างหมดเขาก็ว่างหมดอืมเขาหมือนกบคนที่ขึ้นไปอยู่บนหัวตอน ถอย่าลืาก่อนมองที่เหนก็ว่างหมดว่างหไอ้คงนี้มันว่างไงคงขึ้นี่มันไม่ว่างนี่นี่จะว่างอะไรเราอยู่กับหัวตรอระเบียบบนหัวตรอนี่มองไงอะไรก็ไม่มีไม่มีนี่หัวตรอนี้ทาไมไม่มีแจ่ตาเราไม่ได้เข้ามานีใช่ไหมล่ะมันจะนุ่มเนี่ยคิดแล้วรู้อกกนอกมันเลยรู้ตัวเองท้ายนอกมันว่างจริงแต่ตัวเองนไม่ว่างตัวเองนี่แหละที่ติดเรื่ชา เลยใช่ไหว่างเลยพาบรรยอนเข้ามาตรงนี้ภาพเปิดตังหมดเลยง่ายหมดปัญหาได้ว่าอะไรว่างอะไรไม่ว่างเลยหมดปัญหาลรวก็ว้องกันหมดภายในก็หมดภายน้าก็หมดง่ยมันเคยยกข้อเปลี่ยอะไรต่างนั้นได้หรือว่าห้องเนี้ยขนของให้หมดในห้องนี้ขนน้องของให้หมดอ่าไปดู ห้องหมดแล้วเอาไปดูใหห้องนี้ว่างหรือยังห้องนี้ว่างไ ห, หงงมปุ๊บก็ไปยืนมีการห้องมองว่างหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรท่างกินของห้องอยู่นั่นห น, นักมันว่างอะไรเนี่ยท่านยึดของห้องนั้นท่านอยากให้ว่างห้องว่างทา่านออกมาที่พอออกมาปุ๊บห้องว่างนะก็คือมายี่นี่นะอะไรอะไรมันว่างหมดไอตัวจิตไม่ว่างตัวเองนั่นคุณง่ายๆตำรวจเขามาที่นี่อพี่อนนถอนคนนี้ออก อ, กอนอุสิ ความถือจิตว่าเป็นตนมีอ่างนี้อันนั้นไม่ถือว่าเป็นตนเป็นตนกระแต่นี้มันถือเป็นตนมีอนมาให้เอกมันหมดมันว่างที่อยู่ไหนมันว่างารจะของว่างนะถ้าจของว่างอยู่ไหนม่ไม่ว่างมันยุงอย่งนันแหละ่้นมากคนน้อยดำสิ่งยงใหญยมี